ของแท้ธรมนำวัตถุของเทียมวัตถุบางธรรมสานักวัดที่ท่านเป็นนักปฏิบัติอย่างแท้จริงท่านจะรักษาธรรมชาติให้กลมกลืนกับการปฏิบัติเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยหลักปฏิบัติที่ถูกต้องคือปฏิบัติตามหลักของธรรมชาติพระวัดใดที่หย่อนคุณธรรม มักจะสร้างวัตถุตกแต่งวัดวาอาวาสประเดี๋ยวสร้างกุฏิสวยๆแล้วก็มีสวนหย่อมมีอะไรต่ออะไรอุตรลุดหลวงตามหาบัวมีแต่ป่า ก, กับกระรอกกระแตเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยใครจะอย่างไรก็ช่างใครอย่าไปกลัวคนอื่นจะลงนรกให้กลัวเราคนเดียวจะลงนรกมุ่งหน้าปฏิบัติเอาตัวให้มีคุณธรรมให้มันมีทางรอดให้มองเห็นทางพ้นทุกข์ ให้มันเห็นแต่ทางบุญทางกุศลพูดอย่างนี้เห็นแก่ตัวหรือเปล่าใครจะว่าเห็นแก่ตัวก็ว่าไปเราไม่ได้ไปประกาศโฆษณาใครที่ไหนวัดเราใครเข้ามาคนต่างจังหวัดมาเขาจะมาถามว่าหลวงพ่อมีงานอะไรคุณถามทำไมทำไมคนจึงมาเยอะที่พวกเราประกาศเป่าเปๆไม่เห็นมีใครเข้าวัด ขนาดวัดวะผูกแก้วเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อวานนี้มันก็ยังมีความหมายสำคัญสำหรับสังคมเด็กเล็กเด็กน้อยมันก็ไปภาวนาเดือนละ3ามครั้ง3มรุ่นแต่ละรุ่นก็100 200 300ปีหนึ่งปีหนึ่งเราได้ปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชนไม่น้อยกว่าปีละหมื่นคน อวดอุตริมนุสธรรมเวลาหลวงพ่อพูดเกี่ยวกับเรื่องสมาธิเรื่องอะไรจะรู้อะไรเห็นอะไรนี่หลวงพ่อชอบใช้คําว่าฝันเพราะว่าฝันนี่ผู้คนธรรมดาสามัญมันก็ฝันได้ถ้าไปบอกว่าฉันรู้เห็นด้วยยานด้วยชานอะไรต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นอวดอุตริมนุสธรรมอุตตริมนุสธรรม ถ้ามันไม่เป็นจริงใครพูดอวดก็ต้องอาบัติปราชิกแม้แต่ว่าการอยู่ในเรือนว่างการอยู่ป่าช้าการอยู่โคนต้นไม้เราไม่ได้ปฏิบัติเช่นนั้นไปเที่ยวคุยอวดว่าเราปฏิบัติอย่างนั้นมันก็เป็นการอวดอุตริมนุษธรรมในบทบอกอนุสาสนะอุปสมปันเนนะิกุนาอุตริมนุสธรรมโมนะอุลลาปิตโพ อันตมโสสุญญาคาเรอภิรมามีติการอวดอุตริมนุสธรรมคือคุณธรรมที่ไม่มีในตนโดยที่สุดแม้อวดว่าเราอยู่เรือนว่างอยู่โคนต้นไม้อยู่ป่าช้าซึ่งเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างที่ว่านั้นทีนี้ภิกษุผู้อวดอุตริมนุสธรรมอัศมโนโหติไม่เป็นสมณนะแล้วก็เป็นการทำลายตัวเอง ปาราชิกสี่ข้อสุดท้ายอวดอุตริมนุสธรรมอันุศาสตร์8กรณียกิจสี่อกรณียกิจสี่กรณียกิจสี่เป็นกิจที่ควรทำเที่ยวบินธรมบาดนุ่งห่มผ้าบางสุกุลอยู่โคนไม้เป็นวัดชัญนยาดองด้วยน้ำมูดเนา่าทีนี้อกรณียกิจคือกิจที่ไม่ควรทำเสพเมถุนลักของเขา ฆ่ามนุษย์ให้ตายอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนรักพี่สุไปอวดอุตริมนุษยธรรมแม้เป็นจริงบอกอุตริมนุษยธรรมแก่ข้ารือหัดเป็นอาบัติปาจิตตี